ถ้าจะยมสวรหนูติดใจกับว่าโอกาสขนาและที่รับคือนางต้องยกอะไรมาเปรียบเทียบต้องยกภรรยาของพร ะ, มะโมโหสดมาเปรียบเทียบตรงเนี้บอกว่าทั้งๆ ท, ที่มีขนาดมีโอกาสมีที่รับนีออ้มีขนามีโอกาสแต่ทําไมนางรู้สึกจะชื่อจันทาทวีอามาจําชื่อไม่ได้น้ำมันนานฉันแล้วแต่ทําไมนางจึงไม่ทําชั่ว คืนี่พระโพธิ์ไอ้พระโพิสัตว์ตอนนั้นเป็นพระโมหสดก็ทดลองภรรยามตอนนเองว่าจะจะนอกใจนะก็ให้คนที่มีคุณสมบัติเทียบพร้อมทุกอย่างหน้าตาดีด้วยนะแล้วก็มีทรัพย์มากด้วยฉลาดเป็นต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่แล้วตอนนั้นอ่ะพระโพธิษัตว์ก็ไม่อยู่ด้วยให้ไปพูดไปไปที่ภรรยาท่านแล้วก็ไปพูดแล้พระพัฒนกเที่ยวกอง เพือต้องการให้นางนั้นเนี่ยมาอยู่กับเราเดชนางก็นางก็มาทิตในส่วนจริงนางไม่เคยผิดด้วยนีป่ประเด็นปนัญหาก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมนางไม่ใช่ไหมพระพุทธพจน์บอกว่าน้นมีโอกาสมีขณะและมีที่เรานางเห็นโอกาสเห็นขณนะแต่นางไม่เห็นที่เรา และอย่างหนึ่งก็คือว่านําเปรียบเทียบระหว่างวัคโพอทิศกับคนที่มาใหม่ทางด้านของสติปัญญาก็ต่างใช่ไหมทางด้านถึงความสามารถนี่แค่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยคือตอนนั้นในหลักตรง น, นั้นจะพูดถึงประมาณสักห้าสิบหหรือสี่สิห้าสิบกว่าอย่างเทียบได้คนคนนี้มีความสามารถต่างๆประมาณร้อยยี่สิบอย่างอะไรเนี้ยนะซึ่งซึ่งมันไม่ถึงกันอย่างหนึ่ง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 เความโลเลนในจิตใจออกมาก็ยังมีอยู่สูงมากซึ่งมันต้องละให้ได้ใช่ไหมเราท่านทั้งหลายก็เคยเกิดเป็นชายไม่รู้กี่ล้านล้านชาติแต่ก็เราก็มาภาพเป็นหญิงไงด้วยโทษของการเมตสูมิฉายานถามว่าสัตว์ที่นั่งกันอยู่เนี่ยที่ไม่มีใครทําการมเมสูมิฉายานไม่มีเลยไม่แล้วแต่ใครนั้นจะมีโอกาสในการกรรมนั้นจะให้ผลแล้วมันให้ผลในปฏิสนธิการได้ไหมในประวัติการได้ไหม ไดมันจะทําโอกาสให้เปลี่ยนภาวะเพศเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งๆที่เป็นเป็นอยู่อย่างนีน้หรือไม่เปลี่ยนทั้งด้านกายแต่จิตใจเปลี่ยนซึ่งเราก็เห็นเยอะแยะถ้ายอมองควันจะไปเปลี่ยนเพศเพราะว่าตอนอายุ80นี่าเกียดไหมน่าเกียดใช่ไหมแต่เราจะไปห้ามได้ไหมถ้ากรรมนั้นจะให้ผลเพราะเขาให้ผลทั้งในปฏิสนธิการและใน ปรวัติการบางคนเนี่ยอายุถึงแปดสิบแล้วเพิ่งเป็ี่ยนเพิ่งเปลี่ยนทับร้องไห้เลยต้องแอบแต่งตัวในห้องดูคนตนวเองคนเดียวอาจารย์นะอาจารย์ผูงผู้หญิงสองคนเนี่ยมันทําให้มีสิ่งก่อปิติถ้าผู้หญิงคนแรกเนี่ยจะทําให้สงสารว่าในที่รักในที่มีโอกาสเนี่ยจะทําชื่น ในทีมคนที่สองเนี่ยก็มีการศึกษาเข้าใจก็คิดว่าเธอไม่เห็นที่รับอะไรไม่มีใครที่ไม่รู้ไม่มีเราเาเป็นคนแรกที่เะ็นนีการทำเพื่อสมฤรธิ์มบาลใช่ไมฮะเทวดาที่เป็นสมาธิที่ติเทวดาที่มีกาที่ดูดีถาอาจารย์เราตอนที่สองนะฮะสงสัยแหลเพราะว่าเอ๊ะทำไมคนที่นสิ่งเดียวเลืคนที่มสุ ถ้าอาจจะทำทั่วในที่รับไ้สามอย่างใช่ะก็ถ้าทำให้สงสัยแต่พอมันแก้ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าอเพราะเขามีข้อมูลเขาเามีข้อมูลใช่่เขาไม่เห็นที่รับอย่างน้อยอย่างน้อยไม่มีใครรู้ตัวจิ่ใช่ใช่ไหฮะต้องแก้ด้วยนะฮะเก็บ่ายพานเกินอ๋อเพราะไม่เพราะไม่เคยคิดทําั่วใช่ไหม ไปหากคือว่าอะไรถ้ามันเกิดสิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีมันก็มีสิ่งที่ม่ดีใช่ไหมมันก็ต้องมีว่ามีเหตุมีผลมีเหตุมีผลแต่างคือประเด็นจริงๆต่างๆหลายคนที่กล้าทําชั่วเพราะพราะคิดว่ามีที่รับไม่มีใครเพราะว่ามีมีที่รับเช่นเราอยู่ในห้องคนเดียวเราคิดว่าที่สรงให้นมันรับเราลืมว่าไอเราเนี่ยลู้แต่จริงๆก็คือ เที่ยวดาทั้งหลายเต็มไมเเขาเห็นกันกระทำของเราก็เหมือนถ้านั่งฟังหลับเนี่ยเที่ยวนั่งฟังแล้วหลับเนี่ยเที่ยวดารู้ไหมนั่นต้นเองรู้ไหนั่นหไม่มีที่รับแยแยเปล่าเพ้อันนี้สคัญทำอะไรอย่างตัวเองใช่มตรงนี้ก็เกจติกศีลจำได้ละหตัวสมาวาจาสมากรรมตตาสมาชีวะนี่เป็นเจ้วิริที แล้วก็ความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาอันนี้คืออะโลพอาอะโทสะอะโมหะมีเข้าใจแล้วนะผมประกอบแล้วยกตัวอย่างประกอบทุกตัวด้ยวยมาต่อทีนี้นะยังไม่จบเรื่องเจตสิก เ, เรื่องเรื่องศีลสรุปแล้วได้ศีลสองตัวแล้วเจตนาศีลกับเจตสิกศีลเอาใครยังมึนมึนอยู่ ฟังต้องให้ได้ความเข้าใจอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายสรุปเพราะตอนท้ายอาจารย์จะสรุปสรุปตรงเอาวิติะมะคือการไม่ก้าว่วงิ่งพูดทั้งกุศลจิตบาทพูดโดยองร์รวมทั้งหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดร่วมกันไม่ร่วมแต่มีอะไรเป็นประธานแต่ละครั้งก็ว่ากันไป บางครั้งเจตนาเป็นประธา น, บ า, าาา น, บ, านบางครั้งสมาวาิจาเป็นประธานบางครั้งสมามตาเป็นประธานบางครั้งสมาชีวะเป็นประธานบางครั้งความไม่โลภเป็นประธานความไม่โกรธเป็นประธานหรือปัญญาเป็นประธานสภาวะรรมเหน่ น, นั้นก็เกิดเกื้อหนุนกันไปก็จะใช่ไห ม, มันอยู่ที่ว่าใครจะมาขึ้นมาเป็นวิเศษยิ่งกว่าธรรมะเหล่านั้นก็อนุกูลไปใช่ไหมเหมือนกรณีอย่างเนี้ยถ้าเรา มานั่งเรียนอย่างเงี้ยก็ต้องให้ผู้กล่าวผู้สอนธรรมะเป็นประธานไปแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่บ้างแต่เราบางคนเน่ยเราก็ไปเป็นใหญ่เป็นเล็ก็ว่ากันไปตามฐานนะอย่างนี้เป็นต้นมันแล้วแต่ว่าวาระนั้นอะไรจะวิเศษยิ่งกว่าวาระนั้นก็ขึ้นมาอยู่ในฐานะเป็นประธานเข้าใจใช่ไหมย อ, มสองสปานหงเข้าใจว่าปร ะ, ระเด็นนี้ยังไงเขาเกิดร่วมกันไหม แต่แล้วแต่ว่าอะไรจะมาทำกิจในการที่จะเป็นประทานนอกนั้นก็เกิดร่วมกันในการที่จะจัดแจงอะไรกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้เป็นไปกับศีลท้าตัวปุสารศีลถ้าเราเข้าใจให้ชัดมันจะเดินได้ชีถ้าอย่างนั้นม่นเดินศีลไม่ได้เปนปัญหากันทุกวันเนี่ยจริงทํเาเมชีสเกียดดูดิรักษาศีลมาทั้งน้นเราเดินไม่ได้อะมันต้องยอมรับกันตรงๆเลยนะ ไม่ใช่ว่าโอยพาบทมาตั้งนานเดินได้คล่องแคล่วแล้วนะเพราะความไม่เข้าใจมันต้องมันนั่งแจกแกงแยกแยะก็เหมือนที่บอกว่าเรื่องศีลเนี่ยามาพูดเป็นสิบสิบครั้งบางทีสรุปไปเสร็จกลับไปถามเดินได้ที่ยังย่เวลาฟังเหมือนจะดูเวลาฟังั แต่เ ว, า ว, าวาะลามันเลยมันทำไมมันไม่เดินหรือไม่นไสนใจหรืออะไรไม่ใช่คือคือตรงเนี้ยเอามาใช้คุยกับพาเนี่ยอามาพูดถึงสุนนัขสุนัขของนายพานมีสองประเภทประเภทแบบกัดติดกับแบบกลัดไม่ติดกัดปล่อยแต่พวกสุนัข ก, กัดปล่อยกับไม่ติดเนี่ยนายพานก็ไม่เลี้ยงปล่อยไปเลย ไปไหากินเองถ้าประเภทกัดติดเนี่ยเข้าเลี้ยงเวลาเอาเข้าป่าเนี่ยนะเวลาไปเจอกระต่ายเจอกรางเจออะไรต่างๆแม่นเนี่ยนะมันกัดติดเลยมันไม่ปล่อยหรอกกัดแล้วเนะี่ยก็เคยเล่พระบาังขณะดเป็นวิ่งไปนี่นะมันไปเจอแม่นอ่ะแม่นมันสลัดขนได้นะขนมันยาวเป็นอย่างนี้เลยอะตัวเม่นเนี่ยสลัดขนปุ๊บนิคขนแม่นปักที่ตรงตามเกือบเข้าตา ปั่นล้องเลยอตจนในในพานคนคนรู้จ่ามาไดนะ้ไงไปเบสเซ็แก็ถอดออกเอายาใสเพาใสเบสเซ็แล้วเบสเซ็ตมันวิ่งตามไม่มีอะมันไม่ยอมนีก็เลยกัดติดการศึกษาคาสอนต้องประเภทกัดติด <Okay. S 1> ยอย่าปล่อยก็แปลว่าต้องเข้าใจให้ได้ต้องเดินให้ได้ต้องเพียรไปอย่าง ถาในอดในสิ่งด้วยอะไรที่เาทอรเวลาเราสังเกตุว่าพอเราได้มาเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่ได้ใช้สงนั้นมาเฉลยแต่พอหลังๆที่ได้มามังพจน์หลายๆอย่างเนี่ยก็มันจะขดเฉลยทุกทีเวลาเรารู้สึกว่าเราเราใช่วาจาใช้ใจใช่วาจาช้ใจอะไรที่ไม่ดีอ่ะมันเฉลุกทีเามันจะทาให้มันเฉลยเลยทให ม่นานไม่นานไม่นาคินานต่งมันาจะออกมามามา ม, ามาเ็เมื่อก่อนนี้มันตรงนี้เขาเรียกว่าตัวกุศลศีลนะมันขึ้นมาเกิดบ้างหรือสมาธิหรือปนะัญญาเนี่ยตรงเนะี้ยนะก็ก็ถ้ามันเกิดได้เร็วกว่านี้ยิ่งดีเพราะว่ามันจะต้องเกิดเปล่งปริมาณหนาเนี่ยคืออย่างนี้มาเท่าที่สังเกต ด, ดูเนี่ยความตั้งใจของหลายๆคนไม่ค่อยแข็งแรงบางคนตั้งใจสูงมาก แต่บางคนนั้นมีความตั้งใจอ่อนเอ้มันคือความปกเราคุณธรรมไม่เดินเลยไม่มุ่งมั่นในการที่จะเดินเลยนั่นมาว่าเขายังไม่เข้าใจชีวิตที่แท้ทจริงจริงไหมยอดนิยจริงไหมถ้าเขาเข้าใจจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาควรเร่งรีบคืออะไรคว ร, ร, ร, รกระทำอะไรแต่อาจจะนักเราจะมองในแง่ถึงว่ารักษาสินระดับพวกเราเนี่ยนะคะ เรื่องบาปใหญ่ๆเนี่ยรู้สึกเราไม่คิดเลยแล้วก็ไม่อยากทำไม่อยากพอเข้าใจตรงนั้นเลยเข้าใจเข้าใจแต่ว่ายังอารมณ์หรือว่าที่เกิดหึือฟุกงปั๊บุ้งปั๊ในหัวใจในสุตใจอะไรต่างๆในในสิ่งปรอมอะไรเงี้ยมันมันมันมันไม่ขาดได้เลยนะทีนี้พอพอเกิดจากเราไม่เข้าใจอย่างไรก็ใช่ค่ะมันมันก็อย่างนี้นะมันชาไปเข้าใจคือถ้าเข้าใจจะเข้าใจยังไงที่พยายามเนี่ยหนึ่ง ต้องเจาะให้เลึกเข้าถึงตัวสภาวาธรรมถ้าเข้าใจตัวสภาวาธรรมที่เป็นกุศลและศีลเข้าใจเจตนาชัดว่าเจตนาที่มันเป็นศีลเป็นธรรมยังไงแล้วบาปอกุศ ล, ลธรรมที่มันเกิดขึ้นเพื่อจะเป็นเคียดเป็นการร่วงละเมิดนทางกายและทางวาจาถึงแน้นไม่ร่วงละเมิดแบบประเภทที่แรงๆเช่นมีการว่ากล่าวใช่ไหมเราออกมาเลยเนี้ย ไอ้คุณทําไมทําอย่างนี้ก็ไปว่ากล่าวทั้งๆ ท, ท, ที่มันร่วงระมึดไปแล้วแต่เราไม่เห็นโทษของการร่วงละมึดคนั้นหรือกรณีที่เราถลึงตามองต า, งตาเฉียวเลยเนี่ยนะหรือกรณีที่โกรธแล้วก็พูดท่ามออกมาเนี่ยมีความเพ่อเจอ้อความมุสาว่าเป็นต้นเหล่านี้มันไหลออกมาเป็นระยะเนี่ยไอ้กรณีที่เราไม่เห็นโทษว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาวะต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวขวางกุศลธรรมหมดเล และตัวเหล่านี้นำเราลงมาบายภูมิได้เลยเพราะถ้าไปเห็นโทษตรงนี้ไปเสร็จต่อมานีมันจะเก็บรายละเอียดได้เลยตอนนี้มันจะต้องไปเจาะให้เข้าใจถึงขนาดนั้นและในสุดจริงจรมันจะเป็นปกติของศีลที่มันเกิดขึ้นมาเดินกันมีความแข็งแรงแล้วทีนี้กรณีที่มันจะเดินได้แข็งแรงเนี่ยหนึ่งตัวศรัทธาใช่ไหมให้สังเกตดูนะว่าตัวปัญญาที่ไปเป็นตัวเจตสิกศีลน่ะ ไปพิจารณากมผลของกรรมเบ็ดเสร็จอันนี้เข้าใจว่าพระบรมศาสดาตัดเรื่องกรรมสิบสองไว้กรรมสิบหไว้อย่างไงพอเข้าใจความหมายของก็กรรมเข้าใจนานคณิกักรรมปัจจัยเป็นต้นหนึ่งดพอเข้าใจสาชาตากรมาแล้วก็นานคณิกักรรมมาใช่ไหมกรรมที่ประชุมกันในจิตเบ็ดเสร็จเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยในการทํากรรมเมื่อทํากรรมเบ็เสร็จแล้วก็ทําให้ได้รับผลของกรรมพอพิจารณาอย่างนี้ก็น้อมในการพิ่จะลาบาปด้วยจริตแล้ว แล้วก็บบไม่ไม่มาบำเพ็ญสุจริตทีนี้พอเป็นไปในรัชสมัเนี้พอปัญญาเกิดมากขึ้นปัญญาก็มาเกื้อกูลศรัทธาก็มีตถาขตาโพธิศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระริยสงชัดขึ้นศรัทธาก็ไปเกื้อหนุนวิริยะก็ทําให้วิริยะนั้นประคับประคองกุศลได้อย่างต่อเนื่อง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 ปัญญาก็ไปเริ่มวิจัยกรรมผลของกรรมละเอียดขึ้นปัญญาไปเกื้อหนุนอะไรอีกศรัทธาและศรัทธาก็เกือเก้อหนุนวิริยะวิริยะเกื้อหนุนสติสติเกื้อหนุนสมาธิสมาธิเกื้อหนุนปัญญาปัญญาก็เกื้อหนุนศรัทธานักเข้านัเข้าตัวอินรี่ห้าเกื้อหนุนจนแข็งแรงในกระแสใจตองยมคนแล้วเนี่ยนะยอมคนก็ก้าวออกจากการฆ่างดเว้นจากการฆ่า ก้าออกจากการรับล uh, like, ัฐงดเว้นจากการลับกล้าออกจากการประพฤติิในการมก็งดเว้นจากการประพฤติิในการมก้าออกจากการพูดส่อเสียดก็คืองดเว้นจากการพูดขอเสียดคำหยาบหรือเพ้อเจ้อก้าออกได้ด้วยก้าออกจากอภิชาในน้องไปหาความไม่โลภก้าออกจากความโกรธน้องก็หาเมตตาก้าก้าออกจากโมหะน้องก็หาปัญญาแล้วก็ก้าออกจากความ ไม่ยินดีในการจเจริญกุศลที่เป็นๆกันอยู่หลายคนเนี่ยไอ้ความหดหูร่รอถอยอ่ะก็เริ่มมีใจล่าเรื่อในการที่จ ะ, จะเจริญกุศลมากขึ้นที่มันเป็นอย่างนี้เ้าเรียกว่าเริ่มก้าวออกจากอกุศลกรรมบดสิน้องก็หากุศลกรรมบทสิสรรทสต่อมาสุจเรศสามดีไหมกายสุจเรศวจีสุจเรศมโนสุจเิตแข็งแรงมากเลยอันนี้แปลว่าสุจเิตดีแล้อันนี้เป็นก้าวแรก ทีนี้การออกแปลว่าสุจริตสามเริ่มดีแล้วประเด็นต่อไปคือวิริยะต้องเพียรพยายามทําให้สุจริตสามเดินให้ต่อเนื่องอเออนี่เป็นหน้าที่ไม่ใช่หยุดเพียงแค่นั้นนะไม่ใช่โอ้ดีใจแล้วเราออกได้แล้วไม่ใช่ขนาดที่ออกได้แล้วนะ่ะเขาก็เพียรพยายามรักษาคุสนสุจริตสามให้เดินอย่างต่อเนื่องอินทรีย์ก็มาทําติ่ต่อเห็นไหม ทำเจตสิกสีนให้แข็งแรงขึ้นไม่ใช่แข็งแรงอย่างเดียวความเอาวิปฏิสารคือความไม่เหลือนร้อนใจก็เกิดรามวดเกิดไหมรามวดปีติเกิดความสุขเกิดได้ดื่มรสของศีเนี่นยได้ดื่มแล้วรสของสีได้ดื่มจ้ำแล้วมีความสุขแล้วแต่ก่อนไม่เคยมีความสุขเลยอ่ะยี่สิบปีมาเนี่ยไม่เคยมีความสุขจากการรักษาสีเลยเครียดวิตกกังวลตลอดแต่ตอนนี้ได้รับความสุขสดชื่นเลยสดชื่นตรงไหน สดชื่นที่ได้ออกจากทุจริตได้แต่ยังมียังมีเรื่องที่จะต้องบาเพ็ต่อไปไหมมีออกจากการไม่ฉันท้าได้หรือยังอย่างออกจากพยาบาทได้หรือยังอย่างอีกยังยีวรยังออกไม่ได้ออกจากสีนามิท้าได้หรือยังออกจากอุทจารพูอุจจาออกจากวิจีกิจฉาออกจากกวิชาออกจากความไม่ยินดียังออกไม่ได้ใช่ไหมรั้นน้องไปที่จะออกนะเข้า สมาธิจะตั้งเป็นอุปการ์แล้วนั่ น, นถึงจะออกได้เพราะออกได้มันถึงจะพ้นเครื่องพันราการระดับหนึ่งอันนี้พูดอนาคตให้ฟังที่เรายังเดินก็ไม่ถึงเลยเนี่ยตรงเนี้ยที่นั่งหัวถูท้อซอยกันอยู่เนี่ยแต่มันเป็นอย่างงั้นก็ใหญ่ยังการปฏิบัติตามวัฒนมันเป็นอย่างนี้ทีก็ใหญ่ ย, ยังถ้าเดินอย่างนี้ใช่ ถ้าอย่างที่เป็นไปอยู่ไม่ใช่าอาจารย์เราทําไมถึงเหมือนด้านศาสนาของเราทำไมเราไม่เรีนในตัวอย่างนี้ก่อนก็นี่ยังไงพร <า S 1> <ไง S 1> ะเราเียอย่จะเรียนจะเรียนที่สูงยังไงแต่เจ้าตัวที่มันเด่นสิเหล่านี้มันยังเกิดอยู่กับเราอยู่เรื่อยเนี่ยมันไม่มีการเจริญสี้ไม่มีการอบรมไม่มีอะไรมันจะรู้ได้ยังไงมันรู้เรื่องเยอะจังเลยแต่ว่าตัวเรายังทําไม่ได้เลยสักทางก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิด ตรงนี้จะก้าวไปถึงจุดไหนได้ตรงนี้เอานี้ไงถึงบอกว่าตอนนี้จัดจางจัดแกงแล้วก็งนให้ชัดก่อนก็เยอะเข้าใจใช่หมเดี๋ยเพิ่งคิดออกนอกตัวเคยคิพูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเข้าใจเข้าใจเพราะว่าตัวเองก็พิสูจน์ตัวเองทั้ว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องมีบางครั้งเนี่ยเราศึกษาแต่เราเขแาใแต่ทำไมเรายังมีตัวนี้ขึ้นมาทุกทีมวลาเกิดอะไรขึ้นทำไมเราจะมีตัวนี้ขึ้นมทุกทีทำไมเราไม่เข้าใจชัดเองอย่างนี้ อะไรนเพราะว่าความไม่เข้าใจหรือว่าการอบรมน้อยหรือไม่เข้าใจเรื่องของกุศลศีลตัวนี้ไม่เข้าใจมากกว่าทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราจะเรียนสูงยังไงตัวเราตัวนี้ทํายังไม่เกิดเลยคืออย่างนี้เดีอยนั้นจะยังไงอย่างนี้คือนนต้องเข้าใจว่าบางทีเรียนสูงแล้วมีปัญญาตัวปัญญาจะมาเคลื่อกูลได้แต่ต้องต้องมีครูบาอาจารย์เชื่อไม่เห็นสมมติเราไปเราเรียนสติปัฏฐานดีไหม สติปัฏฐานจากมาเกือ้อหนุนแล้วต่อไปสติปัฏฐานที่มีความเข้าใจในเรื่องของปัญญาในเรื่องของสมถะอย่างดีสิ่งต่างๆนั้นทจมะมาเกือ้อหนุนตัวกุศลศีลทำให้ตัวกุศลศีลชัดขึ้นเข้าใจใช่ไหมมันจะทำให้ชัดขึ้นฟังไว้เหอะขอให้ขอให้ฟังอย่าให้มานั่งหลับเถอะ ท่านนั่งหลับเนี่ยท่านจะไม่ได้อะไรจริงๆแอาจารย์นเห็นนท่านสอนสอนเลืสิลสินเนี่ยาสวะใช่จริงอมาย็นหลับกันกูอะมามงยังไงอะเพราะว่าถ้าตราได้ไปถึงจุดงัแล้วเนี่ยความจริงเรามีหนังสืออ่านเรามีการศึกษาที่ไปอ่านได้แต่จิตใจของเราเนี่ยมันไม่เบิกตรงนี้แลมันยางงี้นะทนไมหนังสือเน่ะ การเขียนเนี่ยมันจะไปยกอุปมาเหมือนพูดเนี่ยมันยกไม่ถึงนใช่ไหมกระถามพวกทั้งหลายหรือข้อมูลทั้งหลายต่างๆเนี่ยมันจะต้องอาศัยครูบาจามันต้องอาศัยกัลยาณมิตรทั้งหลายนี่แหละมาช่วยกันแล้วก็ระดมความเพียรในการที่หาข้ออุปมาอะไรต่างๆมาแยกแยะมาแค่มาแกะมาเกาเนี่ยนะใช่ไหมถ้างั้นมันไม่นั่นเขาก็ขนาดยกประเด็นต่างๆแบบนี้ยถ้าถามเลยเนี่ยมันนั่งเรียงตัวถามเนี่ย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 ถ้าท่านบอกเขาไว้เนี่ยมันออกมาเพ่นพ่านทางกายทางวิชาถูกไหมแต่มันไม่ออกมามันเป็นเพราะอะไรมันถึงเลาออกมายากเหเกินใช่ไหม <c oughs> เอาอะไรเชิญหน่อยหยุดดอกไม้ทุกเพียนเชิญสีนออกมาให้หน่อยเราเราูฟังเรื่องอย่างนั้นมามากมายแต่พอเรามาจำเริญบสสุษรศรีหรือว่าเจติศรีนในระดัต่างๆอย่างนี้ น, นะคะมันมันแบบแท้ๆ จีนมันมันเหมือนชาถ้าถ้าตรงนี้ยังมัเคยเกิดนะอืนก็เกิดแย่้พาในตัวของเราเนี่ยมันงเกิดอันนี้พูดกับครอบครัวที่ทงานคนอ่นคัดกัไปไกลแล้วอันนี่พูดถึงตัวของมินัเองเนี่ยคือมันชอบพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่เราสื่อารทาไมเราไม่ทราบเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่เขาจะได้อันนี้ยทัำในจีกิงๆเป็นคนไป่ใคนที่โง่แล้วก็เป็นคนไม่ชอบพูดให้ใครเสียใจแต่ชอบทำรูสกับทุกคน เราชอบคืรู้มาแลรับแต่ทำไมเราไม่ได้สิ่งที่อย่างเรียนวันนีได้อ่ะได้แต่มันแม็คม็คแม็แม็คแไเนี่ยมันไม่ชัดเลยแล้วตอนนี้ช้าได้ยังได้แต่ยังไม่ร0อเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่ในร้อยเปัร์เม็นต้นหมายว่าความเข้าใจเนร้อยแต่การที่จะใช้คำพูดเนี่ยไม่ร้อเรพราะว่ายังเรือความหมายอยู่ในเนื้อหาต่างต่างเนี่ยมันยังไม่ชัดแต่ว่าถ้าเรา มีทุกน้องมีบริวารมีลูกหลานที่เราจะคุยแค่ น, นี้เราไม่สามารถอธิบายได้อธิบายได้เพราะการที่จะรู้อะไรเนี่ยต้องพูดได้อธิบายได้เหมือนหลักการขาคืออย่างนี้นะม <c oughs> าะแนะนาอย่างนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งยอมเดินได้ให้เกิดได้ได้ดื่มดั่งบ้างในรสชาติของศีลวันนั้นยอมอธิบายได้ชัดน <c oughs> จะอธนะิบายได้ชัด พรเข้าใจสภาวะมันเกิ ด, ดทีนี้<ะ>อ่านยังไงก็อ่านไม่ถือนนถ้าเดินเดินยังไม่ได้เรื่องเลยเนี่ย <c oughs> มันก็ก็พิปิดตําลาก็ลืมเลยะม่เป็ น, นี้ฉะนั้นจะต้องเอามาให้เดินให้เกิดไม่เกิดก็เคียนพยายามพ่อครูให้เกิดใช่ไหมว่าเดี๋ยวเนี้ยมันมีข้อมูลอะไรเยอะฟังไปเรื่องศีลฟัง ฟังให้มันเกิดความพอใจเนี่ยมาเนี่นะให้นมาเนี่ยถ้าไม่อยู่ด้วยเนี่ยถามที่ให้อ่านไม่ต่ำกว่าสิบรอบแล้วมาอธิบายไม่ต่ำกว่าสี่ห้ารอบอธิบายทุกวันไม่ได้ได้ไงถ้ายังไม่ได้บอกเอาต่อเอาไม่ได้ไต่อเนี่ยมันเป็นนั่งอยู่อย่างนี้เลย<ม>ยังไม่เจอหน้ากระถามอาจารย์ถ้าเราจะมาคิดถึงชีวิตของคนเนี่ยครอบครัวที่เป็นความเป็นทีเนี่ย พระที่บวชมาตั้งเล็กหรือว่าศึกษามากับโยมที่มีชีวิตมาตั้งเล็กแล้วก็ทำมาหากินมจะต่างกันตรงไหนสิ่งที่จะต่างกันเนี่ยชีวิตจริงๆเนี่ยข้าสอนของพระองค์เนี่ยถ้าไม่ศึกษาเนี่ยจะไม่มีอย่างที่จะเข้าใจชัดก็รู้อย่า ง, า ง, างเนี้รู้เหมือนหลวพ่อแม่สอนแต่ถ้าไม่ศึกษาจริงๆแล้วไม่ชัดเจนเลยแต่การที่พเรามาทางานและชิงเนี่ยเราเราศึกษา อย่างนี้ฉันยกตัวอย่างเนี่ยฉันทำทำฉนดเนี่ยที่เป็นพันๆได้และชื่อของคนหมายเลขฉนดบ้านตาบลไหนเนี่ยยังจำได้แค่พดทุกอันเลยเป็นพันแต่จำสีไม่ได้ถ้าทาไมมันจําได้เพราะมันชัดเจนกับที่เราหาดินแล้วมันชัดเด่นกับที่เราเราทำใช่ไหมคะในนี่การศึกษาเนี่ยเราได้รับคำสอนมาทิ้งสีพุสมาธิปัญญาเนี่ยเราฟังมาันงแต่เด็กเลย แต่สิ่งที่เราจะรู้ชัดๆเนี่ยเราไม่ชัดเราก็ทำตามพ่อแม่มาอย่างเนี้ยพอเราเก้าทำมาเรียนตรงนี้เราก็ฟังอย่างนี้พ่อแม่เรียนัดจะ่อดขังสูงไปละจิดดตใจจะสิบเอียนาทางไหนอะไรเนี่ยท่องเงินต่างๆคล่องแต่แต่วัในในี้ใจนี่มันไม่เกิดอะไรเลยมันก็นนเลยทำให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้แต่ทําไมตัวเราก็ายังมีอายุ ตนนั้งแต่อนนั้นจนถึงตอนนี้เจ็ดสิบกว่าเราก็ยังเป็นชีวิตอย่างนี้แต่จริงๆแล้วสินที่เรามีอยู่สินธรรมนาที่เรามีปจะจำวันเนี่ยนับรองได้เลยว่าภ่าสัตว์ตัดชีวิตท้วัน เ, งนนเองตัแต่ตเกิดยันะะงไม่เคยทำแม้แต่ปลาโตก็ยังไม่เคยฆ่าเพไม่เคยขราบัวนะคะก็ไม่เคยมีนี้อัน น, นี้แปลว่าจะประกาศว่ามีสินใช่ไหม ไม่ทราอันนี้เราเราเราทืกพูดถึงสีว่าถ้าสัตว์ัดชีวิตอะไรนะอนตัวเรียนเองเนีเย่ยชีวิตเนี่ยอาชีพก็ไม่มีบางแต่วันจันไม่มีรู้แต่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่มีข่าวร้ายทำให้ทีนี้พสรุปได้แล้ว<า>สรุปตรงนี้ก็คือว่าคนคนบางคนส่วนใหญ่มาเจอเมาเยอนะนอเนาะก็จะเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้มีสี พอไม่เข้าใจสินะเพราะไม่เข้าใจสีนก็เลยเข้าใจว่าอามาก็ไปเจอโยมอยู่คนเ<ๆ>ขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวเขาจะผิดศีลได้ยังไงคุยเขาก็ไม่ได้ไปคุยกับใครใช่ั้ยทีวีก็ไม่ดูฉะนั้นเขายู่รับสัตว์ต่างๆเขาก็ไม่ฆ่าเขาก็มาแต่ ว, วัดงั้นเขามั่นใจว่ามีศีล เอามาก็คุยรู้จักเอามามาอามาไม่เชื่อหรอกก็โอ้ก็รู้จึกไม่ค่อยพอใจเอามาเนาะเอามาก็เลยยกเยกอย่างรู้จักเจตสิกสีรู้จักเจตนาสีไหมรู้จักสังวรไหมรู้จักอมิจิติมั้งไม่รู้เลยถามไม่รู้แล้วจะรู้ได้ไงตอนนี้สีเกิดตอนนี้สีไม่เกิดใช่ไหมไอการได้ข้านั้นเป็นผลใช่ไหม แต่้กรณีที่ไปรู้ว่าถามว่าแล้วทุกใจบ่อยไหมบ่อยมากกังวลไหมกังวลไม่ค่อยสบายใจเลยไม่ใช่อ่ะแล้วมันศีลมันต้องความสะอาดใจอ่ะใจต้องสะอาดกายไม่ต้องพูดถึงวาจาไม่ต้องพูดถึงสะอาดแล้วอย่าลืมนะถ้ามีศีลส่วนใหญ่ก็มีไปมีแบบว่ามีตัณหามานะที่ทีอิงอาศั ใ่ไหความสําคัญว่าตัวตนเป็นผู้รักษาก็เต็มไปหมดอย่างไรความเข้าใจผิดเต็มไปหมดใช่ไหมอย่างที่พ่อแม่เราสอนก็ใช่ไงทีนี้ถ้าเข้าใจอย่างนั้นนานศาสนาอื่นเขาก็ไม่ตรงเรียนนี่ยเขาก็ไม่เห็นเขาก็มีสิ่งเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ที่เด็กก็ไม่ไม่กระจายเพรนั้นจึงคิดว่าคําสอนของศาสนาพุทเนี่ยต้องศึกษาต้องปฏิบัติซึ่งกระจยถ้าเราเรียนอย่างนี้ ศาสนาอื่นเขาก็เป็นอย่างเราเล้เขาเขาก็มีคำบาปเหมือนเราก็มีได้วยนี้เขาก็มีศีลเหมือนเราด้วยแค่ถ้ามันจะมารู้เรื่องของศาสนานเขาเขาานั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วมันจะได้ขัดเกลาตัวเองได้ไต่อไปเนี่ยหนึ่งทางกายก็จะต้องขัดเกลาชัดขึ้นทางวาจาตัวนี้คําพูดคําจาต่างๆมันออกมาจากจิตที่เป็นกุศลยูดีมันจะนอบนอ้อมใช่ไหม มันจะออกมาจากการนอบน้อมพระพพพผู้มีพภาคก็จะมีศรัทธาในพระเจ้าเพิ่มขึ้นมันมีปัญญาเห็นโทษของสังสารวัตรมากขึ้นแล้วการขัดเกลามันชัดแล้วมันจะไม่น้อมไปในการที่จะเพ่งเล็งผู้อื่นนะแต่น้อมกลับมาที่จะขัดเกลารือเองตลอดเองเห็นไหมเพราน้อมในลักษณะเนี้มุมมันใช่แล้วโดยกุศลศีมันชัดในลักษณะนี้ถ้าเป็นไปในลักษณะนี้แปลว่าศีลมันใช่แล้ว ไอ้ตรงนี้แค่ตรงนี้ก่อนนะงั้นก็องพักเราไปเดินดูสีกันดูดิอ่ะพักกันเดิม